ได้สมปไดญกคิดสมได้ความสุขได้ปัญญาคิดสว่างได้บุญกุศลได้ปัญญาได้วิชาได้บุญกุศล เราที่อยากเป็นมุสชชนบัตบเยวนี้นะว่าต้องอยู่ให้บุญกุศลกันในบาปอาภุดศนบาปฆ่าหมุนไปในโลกบุญนั่นฆ่าหมุนไปในสวรรค์ธรรมะโลกีฆ่าหมุนสุภะโลกเป็นยู่อย่างนี้ตลอด อันนี้เป็นวุตถุชนข้ามาวุตถุชนแต่ว่าไม่รู้จักะจะของมาเกิดมาจากที่ไหนรู้จากนี้แล้วจะไปเกิดเปน็นอะไรไม่รู้เกิดเป็นมนุษย์มาแล้วจะต้องไร่รู้จะไปเมื่อ้า แต่คือเป็นมนุษย์ที่เท่าไรไปเทวดาไปในโลกับุตรชนบุชนอันนี้แปลว่าเลี้กัไปนโกเ้ัไปวรเอาตั้งที่ไปมังคง เรียกว่าพุมธโลกมีเกิดตายเทวะโลกมีเกิดตายมนุษย์โลกมีเกิดตายเศรโลกมีการเกิดตายทรัพย์เอสารทั้งหลายมีการเกิด ก, กดับการตายตนี้เ็ห้องโลกเพราะฉะนั้น ตัวของเราทุกๆคนอันที่เกิดในกับต่อันนี้มันต้องเป็นหน้าที่ของบุคคนจนกว่าบุคคลรับไดใจตั้งใจเป็นสมาธินาำเข้าที่สุดจึงจะได้เจริญปิจจังา องค์วิพัฒนาญาณวิพัฒนาญาณจะเป็นธรรมะของพุทธจะรู้จักอว่าอะไรพาเกิดในโลกอะไรที่พาตายในโลกการปฎใดอันนันต์นเหนือวว่าไม่ได้มาเกิดในโลกตลอดหันยังปฎบนท่านใน หน้าที่มันต้องเกิดในโลกของนี้ตลอดไปนานแสนนามที่สุดปัญหาว่าโตเรารับสารรับความดีหนึ่งใี่มนุษย์มีชุกับชุกสองไปสวรางมีความสุขล้น สามปัญภพมีความสุขยิ่งอันนี้เหนเหือกว่าผู้รักษาจะ ร, รับความดีพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ใจ้ชั้นฤทธมกุลแล้วกล้าทูลถามพุทธเจ้าว่าคาพราองค์การเกิดในโลกนี้มากน้อยเท่าไร ว่าแต่เออเธอเคยเป็นมนุษ ย, ย์ใหญ่โตสูงอายุยืนเคยเป็นมนุษย์อายุเล็กน้อยต่ำเตี้ยเป็นสัตว์เลียงผางโตใหญ่สูเป็ น, วนัวเลียงผางโตเล็กก็ดูที่เป็นกับโปรงเานี้ ขันถ้ามันไม่พลุกไม่ทํามันแนับไม่ละลายก่องไว้เท่ากันกับผู้เขาลูกหนึ่งคนผู้หนึ่งเังได้ชนาใส่เล็กเป็นพระอริยะเจ้าต้นแล้วจะพ่ายแสลายไม่ต้องเกิดต่อไปเป็นองค์พระธรรมรูปร่างกาย เป็นองค์พัดรใจเป็นองค์พัดขับมีความสว่างสวยอยู่ตลอดไปอย่างนี้อันนั้นแปลว่าผู้ค้นข่ยอันตรายที่จะเกิดโรคอันนี้อยให้เราทุกคน่งคิดน้กว่า พพุทธเจ้าที่จะมาเกิดในโลกต่อไปมานาเนี่ยอจินไตยนับไม่ได้รัพ์ทั้งหลายที่จะเกิดในโลกอันนี้ก็รอใส่เป็นอจินไตยจะนับไม่ได้โลกอันนี้กว้างแคบเท่าไหร่เป็นอจินไตยจะนับไม่ได้ <c oughs> อันนี้แปลว่าเป็นที่เกิดของพัฒนายในโลกวิญญาณที่เลื่อนลอยไปมา <c oughs> ยังไม่ท่านได้รู้เป็นอจินใจจนนับไปไหนเขายังจะเกิดอีกต่อไปอันที่เกิดมาแล้วไม่รู้เพราะว่าอาการใดญ่ใหญ่ชุกอย่างที่เกิดในค้อง ไม่รู้จักอะไรจกักอย่างเช่นที่มันเกิดในแม่น้ำในดินที่ช่อกุ้งไม่รู้จักภาวะใดๆทีชเชื้อเลืนนี่มันมันเกิดในใต้แนดินหาจินไม่รู้จักภาวะใดๆที่เชื้อรัมันเกิดในเผนดินที่ช่อกุ ไม่รู้จะกลัวที่มันเกิดอะไรดให้ทั้งหลายเมีนทั้งหลายสักที่เล็กเล็กน้อยที่ชุดไม่รู้ก็ว่าก็ว่าอะไรสักอย่างอันนี้แปลว่าสารเริ่มเกิดในรน่มตนมากที่ชุดในโลก กว่าจะขึ้นมาเป็นแมงวนันกว่าจะขึ้นมาเป็นสั้นใหญ่กว่าจะขึ้นมาใหญ่ลูกเขวี้ยงใจใจลูกจักชมวัดของมนุษย์มาสร้างใจปราถนาอยากเป็นมนุษย์แล้วก็ได้เป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์แล้วไปนรก เมื่อเป็นมนุษย์แล้วไปสว่า์เมื่อเป็นมนุษย์แล้วเป็นเปรตเป็นผีเมื่อเป็นมนุษย์แล้วเป็นซัเาหมุนอยู่อย่างนี้เขาเรีว่าธรรมนาวัตถโลกกรรอะไรกั น, นละกุศลกรรม บุญผู้ชนข้ามไปชวบ้านเป็นมนุษย์ไปเมืองอพม่ากุศลกรรมบาปการความเศาความมนไปในโลบไปเป็นเปรตเป็นจีไ ป, ปสิ่ชั่วร้าอันนี้เปลว่า <c oughs> สัตว์เหล่านี้มีการเกิดหมุนอยู่ ต <c oughs> ลอดไปในโลกทันพวกเราจะรู้จักใดเนี่ยให้ตั้งใจใจตั้งคือบุญกุศนเจ็บเล็กว่าสมน้อยรักษาใจตั้งใจใจตั้งอยู่ใดใจตั้งเลยแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างกาย ร่างกายมันจะอยู่อีกโ่วหนึ่งใจมีอยู่อีกโ่วหนึ่งความสว่างสวยเกิดขึ้จึงจะรู้จักได้ว่ามุนบาปโลกนี้โลกนั้นทลายการหมุนเกิดตายในโลกรู้จักได้โดยต้นทีไม่ต้องถามคนอื่น นี่แลหละเราทุกคนสมองิดอ่านว่าอย่างนี้ตัวของเราบุญที่รักษายังได้มาเกิดเป็นมนุษย์บาปนี่อยู่ในตัวของเราคันพิจารณา อ, อะไรก็เพิ่มบาปคันไม่พิจารากันก็นกันใดก็เพิ่มบุญ อยู่อย่างนีจตลอดไปลหลายกุศลจักอะไรรู้จักจนกว่าเราจะ ช, ชนะชิงความโช่ใดๆอย่าง จ, จึงจะเกิดองคงนิพพานายามรู้จักอะไรภาดเกิดในโลกพดเพื่องออกใดแล้วทุกุาล จึงจะได้ขึ้นจัว่วจิตเป็นธรรมกายเป็นธรรชีวิตเป็นธรรความสว่างสวยตลอดสิ่งนีไม่นี้เกี่ยวข้องในการเกิดศายในโลกอิสระไปนี่ให้เราทุกคนจุดหินนึกเพราะอริยะทั้งขารที่สิบในชนิดไปแล้ว ทันานอรันตายเกิดในโลกตลอดไปจิตนี้ผลชุกัดรชนะได้สำเร็จพระเจ้าองค์หนึ่งมาตั้งในโลกมนุษย์ทั้งหลายได้สำเร็จมากกว่ไปสูขข่เั็นขาดนานที่ชุกจนได้พระเจ้าองค์ห น, นึ่งมาตัโลกเรนี่จูของเราอนาคตเบืองหน้า กว่าจะสำเร็จแ จ, จะสำเร็จในพระเจ้าองค์ใดไม่ล่เรื่องมีให้คิดอ่านแต่ว่าแก้ไขให้็นมนุษย์ถึนเทวดาไปเรื่อยตลอดไปอันนี้แปลว่าผู้คนผู้รับสารระดับความดีของตนตลอดไป เอาให้ตั้งใจคงตนใจคึกความรู้สึกมีอยู่อยูน่นี้ไม่ได้อยู่ที่นั้นที่นี้ความรู้สึกมีอยู่ น, นั้นเลย <c oughs> ใจไม่ได้นติดกัวติดตัวเลยใจเป็นของมีลีบ